ความในอัตถกถารัฐาพิณิตสูตรเนี่ยนะที่กล่าวถึงความสันโดษคำว่าสันโดษนี้ซึ่งมีความหมายว่าคาว่าสันโดษนะความหมายของสันโดษก็คื อ, อประกอบด้วยความสันโดษในปัจจัยตามมีตามได้หมายว่าอพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่นะหมายถาว่า ต้องมาแยกให้ดีนะว่าพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้แปลว่าอนุรักษ์นิยมนะน ะ, ะคำว่าพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่หมายคําว่าเช่นขณะใดที่ใช้สิ่งใดก็ไม่เดือดร้อนไม่ลำบากใจในสิ่งนั้นนนะไม่ไม่รู้สึกว่าทุกข์ระทมแล้วกตต็ตรอมในสิ่งนั้นแต่ไม่ได้พูดว่าต่อต่อไปควรจะทำอย่างไรไม่ได้พูดลักษณะนี้นะฟังให้ดีคือประกอบว่าประโยคว่าปัจจุบันเนีย ในสิ่งที่กำลังบริโภคใช้สอยเนี่ยนะรู้จักรู้จักอะไรรู้จักพอในขณะนั้นะ่ะเต็มใจพอใจในการใช้สอยบริโภคสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่เขาว่าโอ้ก็อนุรักษ์ต่อไปโอ้เมื่อไหรเมื่อไรก็ขอเช่นนี้ตลอดไปไม่ได้พูดอย่างนั้นเนี่ยนะซึ่งต่ อ, ต, อต่อไปนั้นการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง เ, เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นนั้นพระพุทธเจ้าสันเสริญเนี่ยนะ นิย้อนมาถึงเรื่องของสันโดษในอาหารบินทบาทว่าพระภิกษุในศาสนานี้ได้บินทบาทไม่ว่าจะเป็นบินทบาทปอนๆหรือประเนีด น, นะอาหารดีหรืออาหารประณีดก็ตามหรือไม่ประเนีดก็ตามเธอยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยบินทบาทนั้นเท่านั้นไม่ปรารถนาบินทบาทอื่นถึงได้เพิ่มอีกในขณะนั้นก็ไม่รับอันนี้เรียกว่า ยะถาลาพระสันโดษสันโดษในบินทบาทของเป็นความสันโดษยินดีตามที่ได้ในขณะนั้นของภิกษุนั้นแต่ภิกษุใดได้บินทบาทที่แสลงแก่โรคหมายคําว่าโดยแสลงต่อปกติคือแพ้อาหารชนิดนั้นนะไม่เข้ากันเลยกับอาหารประเภทนั้นหมายคําว่าไม่เป็นปกติแก่ตนน่ยนะ คือเมื่อบริโภคหรือรับประทานไปแล้วเนี่ยตัวเองเดือดร้อนสแสลงต่อโรคด้วยเธอฉันแล้วก็ไม่ผาสุกอาหารนั้นเนี่ยดีแต่ไม่เหมาะไม่เหมาะกับตัวเองก็เอาอาหารนั้นไปถวายแก่พิกสุที่ชอบพอกันที่คุยกันรู้เรื่องอะนะที่ที่ไม่ไม่รังเกียจกันไม่ว่าร้ายกันไม่ทะเลาะกันไม่มีปัญหาต่อกัรเนี่ยแล้วก็รับเอาโภชนะที่สปายะจากมือของพิกษุนั้น ฉันและก็กระทําสมณธรรมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความสันโดษเนี่ยนะก็ะอะไรที่เข้ากับตัวเองได้อะไรไม่เข้ากับตัวเองแล้วไปแลกเปลี่ยนกับคนที่เขาาเข้า <c oughs> ใจเราอ่ะนะเขาเข้า <c oughs> ใจเราเขาไม่ถือสาเขาไม่ไม่ตำหนิเขาไม่พผนทนาเพราะว่าถ้าหากว่าเอาอาหารเหล่านี้ไปแลกไปเปลี่ยนกับพระพิสูจน์ที่ไม่ชอบพอกันเนี่ยนะ <c oughs> ก็กลายเป็นว่าได้ได้อะไรก็บอกโอ้ยแค่นี้ก็ฉันไม่ได้เดี๋ยวเขาก็พูดมาก เมื่อเขาพูดมากเขาพูดเราเราก็ไม่สบายใจเราก็โต้ตอบมันก็กลายเป็นคู่เวรกันไปเลยเนเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนอาหารแม้แต่พระพิสูด้วยกันก็ต้องระวังว่าเป็นผู้ที่ชอบพอกันไหมหรือเนี่ยนะถ้าชอบพอกันเนี่ยเขาชอบใจไหมในการที่เราไปเปลี่ยนอาหารซึ่งการเปลี่ยนอาหารเพื่อเป็นอาหารที่สัปายะไม่เดือดร้อนไม่กวนกวายเป็นที่สบายต่อการเจริญสมถาวิปัสนาอย่างนี้ก็เรียกว่า สันโดษมอนกันแต่เป็นยะถาพระสันโดษสันโดษตามกําลังภิกษุอีกรูปหนึง่งได้บินทบาทประนีตเป็นอันมากนะักหมายว่าไปได้แต่รับแต่ของดีๆตลอดเลยเพราะอะไรเพราะบุญเก่าทำมาดีเนี่ยนะเธอก็ถวายบินทบาทอาหารที่ประนีตนั้นแก่ภิกษุผู้บวชนานหรือผู้เป็นพหูสูตรหรือพระภิกษุผู้ที่มีลาบน้อยเนี่ยนะก็ไปแบ่งให้ท่านใช้ให้ฉันได้ฉันหรือไปถวายเอาไปถวายภิกษุไข่ แล้วก็ได้อาหารที่เหลือจากภิกษุเหล่านั้นซึ่งไม่มีโทษเนี่ยนะเอามาฉันอันนี้เรียกว่าสันโดษชื่อว่ายะาสารุ ป, ปะสันโดษหรือไปฐานอาหารที่คละกันก็ได้เนี่ยนะเป็นอาหารที่ละคนกันในบาทก็ได้นี่เกี่ยวกับเรื่องสันโดษในอาหารบิณฑบาตนะแบ่งเป็นหนึ่งยะาลาภาสันโดษสันโดษตามมีตามได้ในอาหารอย่างที่สอง ยะถาภละสันโดษก็คือมีการถ้าไม่ไม่เหมาะกับตัวเองก็ต้องแลกเปลี่ยนกับภิกษุที่ชอบพอกันอย่างที่สก็สมควรแค่ไหนเรียกว่ายาถาสารู ป, ปะสันโดดสันโดตามสมควรว่าความสมควรความเหมาะสมพูดอีกในหนึ่งก็เรียกว่าตามสารูปของตนเนี่ยนะว่าสมควรแก่สารูปของต น, นแค่ไหนก็เอาตามนั้นแหละเนี่ยนะ ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยว่าอันหนึ่งภิกษุในาศาสนานี้ได้เสนาสนะไม่ว่าจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเธอก็ไม่เกิดโสมนัสหมายค่ะว่าได้น่าพอใจก็แม้โลภะเกิดหัวรื่นมีอะไรนะเลิดเพลินจนหรือไม่ไปได้เสนาสนะที่ไม่พอใจก็ไม่ขัดเคืองไม่โกรธไม่มีโทสะ ยินดีในเสนาสนะตามที่มีโดยที่สุดแม้กระทั่งเครื่องปูร่าทำโด้วยญ้าอันนี้ก็ชื่อว่ายาถาลาพระสันโดษในเสนาสนะของพิสูจนนั้นคําว่าเสนาสนะเนี่ยไล่ตั้งแต่ที่นั่งไล่ไปเรื่อยๆจนถึงที่อยู่เรียกว่าเสนาสนะหมดแม้กระทั่งอาสนะที่นั่งเนี่ยนะที่นั่งนี่ก็เรียกว่าอาสนะกับเสนาสนะอยู่ใกล้กันนะเนะ เพานั้นคำว่าเสนาสนะรวมแม้กระทั่งที่นั่งถึงที่นั่งที่หลับที่ยืนที่เดินที่นอนอะไรก็เรียกว่าเสนาสนะทั้งหมดถ้าได้ของที่ไม่ดีก็อย่าโกรธถ้าได้ของดีก็อย่าโลภอย่าเพลิดเพลินและถามว่าเอาแล้วปล่อยวันคืนล่วงไปให้กับอะไรกับสมถะและวิปัสสนาปล่อยกายปล่อยใจให้เป็นไปกับการเจริญกุศลธรรมเพราะว่าจะยืนที่ใดเดินที่ใดนั่งที่ใดนอนอยู่ที่ใดก็ยืนเดินนั่งนอนเพื่อเจริญ สมณธรรมเจริญกุศล ธ, ธรรมที่เรียกว่าอยู่เพื่อหลีกเล่นสําหรับการเจริญภาวนาเนี่ยนะเพื่ออบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญาเจริญให้กุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นภิกษุได้เสนาสนะที่แสลงแก่ปกติของตนหรือแสลงแก่โรคไม่เหมาะเลยเนี่ยนะเมื่ออยู่ก็ไม่มีความผาสุกภิกษุนั้นถวายเสยนาสนนั้น แก่พิกษุที่ชอบพอกันอยู่ในเสนาสนะอันเป็นที่สปายะอันเป็นส่วนของเธอนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยยะถาภละสันโดษในเสนาสนะของพิสูุนั้นเพราะว่าเสนาสนะบางเสนาสนะเนี่ยนะเมื่ออยู่แล้วเนี่ยโรคกําเริบเช่นบางพวกไปอยู่ในเสนาสนะที่อับลมไม่ได้เลยอยู่ห้องอับๆนิดๆไม่ได้เลยเนี่ยนะเป็นโรคอะไรนะ มันงงหน้ามืดหูตาลายไปหมดเลยวิงเวียนไม่สบายเลยแต่กลับไปอยู่ในที่ลมชอยๆกลับปุสนเจริญนะต้องลมโชยนิดๆจะดีอะไรเงนะี้ยนะเพราะในวัดบางวัดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าห้องไหนอยา่างสมมติว่เป็นลักษณะห้องแถวใช่ไหมห้องกลางๆก็ค่อนข้างอับถ้าห้องห้องข้างๆสุดๆมันก็รับลมได้อะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าอันไหนส ป, ปายะก็แลกเปลี่ยนแต่ไม่ใช่หมายก็ว่าเอากิเลสเข้าว่าอย่างเดียวเนี่ยนะ เหมาะสมไม่เหมาะสมตัวเองชอบแบบไหนตรงนี้เขาไม่ได้เอาชอบเป็นประมาณอยู่ได้ไหมอยู่แล้วกุศลเจริญไหมอยู่แล้วผาสุกไหมก็วัดโดยนัยยะที่ต่างๆแต่ถ้าถ้าบุญมากล่ะไปได้ของดีๆเข้าเนี่ยเนเป็นผู้มีบุญมากได้เสนาสนะที่ใหญ่เป็นที่หลีเกเล้นเป็นมนดบหรือเป็นเรือนยอดเป็นต้นกระวัตได้เสนาสนะอย่างดีเหล่านั้นก็เอาไปถวายแก่ที่สูผู้บวชนานผู้เป็นพระหูสูตร ผู้มีลาภน้อยหรือให้แก่ภิกษุใข้นะแล้วก็ตัวเองก็ไปอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่ายะถาสารุ ป, ปสันโดษในเสนาสนะของภิกษุนั้นคือว่าต้องดูนะว่าเาสนาสนะระดับไหนเหมาะแก่ตนน่นะคือบางองค์เนี่ยไปอยู่กุฏิแบบอย่างดีชั้นเลิศเลยเนี่ยนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งบวชแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะ แล้วใครมาหาก็มาหาเจ้กุตินั้นเนี่ยนะซึ่งตัวเองก็ไม่รู้อะไรเพิ่งบวชเข้ามาไม่ไม่มีความรู้ไปอยู่เสนาสนะบางอย่างเขาก็นึกว่าเจ้าหัดเข้าก็เลยโอย้ยุ่งเลยเดือดร้อนเลยกันนี้แล้วก็นั่งจ่อไปเรื่อยนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเนีมันก็ต้องดูความเหมาะสมดูความสมควรน่ยนะว่าเออเนี่ยผนะ า, า, าสุขกัเราไหมอยู่แล้วสัพายะไหมอยู่แล้วกุศลเจริญไหม ทีนี้เสนาสนะบางแห่งเนี่ยนะพิสูุบางรูปก็พิจารณาว่าเ ส, สนาสนะอันอุดมหมายว่ากุติอย่างดีเนี่ยนะคือกุติบางหลังนี่ก็อย่างดีจริงๆแหละบอกอุดมแต่ก็คิดว่าโหดีอย่างนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อนั่งในที่นั้นเนี่ยนะโหมันก็ได้ที่หลับที่นอนดีเพราะนั่งตับก็หาวและง่วงเหงาหาวนอนง่วงหลับตื่นขึ้นมาเอาอากุศลวิต ก, ก็เกิดอีกต่อไปเนี่ยนะ เรียกว่าอยู่พอเข้าไปถึงก็เรียกว่าอากาศพอดีเป็นที่สบายหลับไปแล้วพอตื่นขึ้นมาอีกกลามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้างครอบงําท่วมทับเพราะฉะนั้นก็ไม่รับเสนาสนะเช่นนั้นที่มาถึงแล้วเธอก็ปฏิเสธเสนาสนะนั้นก็ไปอยู่เช่นไปอยู่กลางแจ้งบ้างอยู่โคนไม้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเป็นผู้สันโดษยะถาสารล ป, ปะสันโดษในเสนาสนะนั้น สังเกตดูผู้ที่เคยอยู่โคนไม้กับอยู่ในที่มุงที่บังเนี่ยนะบางทีนี่อยู่โคนไม้เนี่ยค่อนข้างสปายะเนี่ยนะค่อนข้างสปายะแล้วก็อยู่เป็นที่สบายสําหรับบางท่านกุศลธรรมก็เจริญขึ้นบางทีก็ไม่กล้าคิดอกุศลมิตกไหมก ล, กลัวผีเออกลัวผีเฝ้าต้นไม้เหมือนกนนะกลัวเจ้าที่เจ้าทางกลัวเจ้าป่าเจ้าเขาเดี๋ยวคิดเป็นอกุศลงูเงี้ยวเขี้ยวมากัดเข้าจะทํำยังไงรีดเจริญทั้งส ม, มะถะวิปัสสนาในขณะนั้นๆเพราะฉะนั้นการ อ, อยู่ในที่ที่เรียกว่า คนไม้เรือนว่างที่แจ้งล้อมฟังเป็นต้นทําให้ไม่ค่อยประมาทสําหรับบางท่านแต่บางท่านไปเจอลอมฟังเข้าไปเนี่โอ้ยหลับสบายจริงๆเลยบางท่านนี่เกี่ยวกับยาบ้างนะขีฬานะัปัจจัยเภสัตชบริขารอันหนึ่งพิสูจนในพระาศาสนานี้ได้เพสัตชไม่ว่าจะปอนหรือประณีตนะเสนาได้ยาเนี่ยนะได้ยาอยา่างดีหรือยาอยา่างเลวก็ช่าง เธอยินดีด้วยเพสัชที่ได้มาไม่ปรารถนาเภษั์แม้อย่างอื่นถึงได้ก็ไม่รับอันนี้เรียกว่ายะธาลาพระสันโดษในขีหลานปัจจัยเภสัชของเธอหมายก็ได้ยาอย่างใดก็ใช้ยาตามนั้นนั่นแหละไปทีนี้อันนี้หมายคำว่ารักษาด้วยยาชนิดไหนก็หาย อ่ะนะไม่สบายด้วยยาหมายความว่ายายาอย่างดีก็ตามตานกลางก็ตามประณีตก็ตามอย่างเลวก็ตามหายเหมือนกันหมดเนี่ยนะได้ยังไงก็ใช่อย่างนั้นไปเถอะเพราะมันมีค่าเท่ากันในการรักษาเนี่ยนะแต่ทีนี้ถามว่าเมื่อยาไม่เป็นที่สปายะล่ะเช่นต้องการน้ํามันกลับไปได้น้ํำพึ่งน้ําอ้อยน้ําตาลเนี่ยนะเธอก็เอาน้ําอ้อยน้ําตาลนั่นแหละไปถวายแก่พิสูพุชบพอกันถือเอาน้ํามันมาจากพิกสูนั้นแล้วสแสวงหายายอย่างอื่น แม้กระทําเภสัชด้วยปัจจัยเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษเนี่ยนะก็รู้ว่าตัวเองนั้นเหมาะกับยาประเภทใดเนี่ยนะก็ว่ารักษายาตามโรคการดูแลรักษาใช้ยาตามโรคก็เรียกว่าเป็นยะถาภะสันโดษเนี่ยนะเป็นยะถาภะสันโดษก็ไม่ใช่ว่าแม้ปวดหัวก็เอาอะไรปวดหัวเอายาแก้เคล็ดขัดยอกที่เขาเนี่ยมาทาที่มายามาแก้เนี่ยนะคือซึ่งหมายว่าใช้ยาให้ถูกประเภทถูกกลุ่มเนี่ยนะ การใช้ยาถูกประเภทถูกกลุ่มนั้นก็เรียกว่าเป็นกลุ่มการสันโดษเหมือนกันพิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นผู้มีบุญมากได้เภสัชอันประณีตเช่นน้ำมันน้ำพึ่งน้าอ้อยเป็นต้นเป็นอันมากเธอถวายเภสั์นั้นแก่พิสูจ์ผู้บวชนานผู้เป็นพหูสูรผู้ที่มีลาบน้อยหรือเป็นพิสูจนไข่ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยเภสัชอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ได้จากขีฬานปั จ, จัยเภสัชเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้สันโดษเนี่ยนะเราว่าดูว่า เ, เหมาะสมแค่ไหนยาอันเนี้ยสมควรแก่ใครเนี่ยนะอันหนึ่งภิกษุใดภิกษุทั้งหลายวางสมอดองเอาไว้ในภาชนะหนึ่งวางของมีรสอร่อยสี่อย่างเอาไว้ในภาชนะหนึ่งแล้วกล่าวว่านี่มนถือเอาสิ่งที่ต้องการเถิดครับเหมือนถ้าโรคของเธอระ ง, งับไปด้วยของอย่างใดอย่างหนึ่งในของเหล่านั้นเมื่อเป็นดังนั้น คือหมายเขาว่าอะไรก็หายเหมือนกันเถอะไม่ว่าจะเป็นสมอดองหรือว่าของที่มีรสอย่างดีเนี่ยนะอร่อยด้วยกับสมอดองด้วยแต่อันไหนก็หายเหมือนกันเนี่ยนะเธอก็ห้ามห้ามอะไรห้ามของอร่อยเนี่ยนะแล้วก็กล่าวว่าขึ้นชื่อว่าสมอดองเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแล้วกระทําเพศสัตว์ด้วยสมอดองเท่านั้นชื่อว่าเป็นผู้สันโดษอย่างยิ่งนี้ชื่อว่ายะาสารุปตะสันโดษใน ขี้ลาน่ปัจจัยเพศศัตรบริการเพราะว่าในอนุสาสวรียนะ์คําสอนที่พระพุทธเจ้าตามสอนตามโอวาทตามพร่ำสอนนับตั้งแต่บวชขึ้นมาก็บอกว่าจีวรของเธอก็ถือใ ห, ให้ถือเอาผ้าบางสกุลเป็นหลักถ้ามีคนถวายก็ชื่อว่าอดีเรกกลาบเนี่ยนะอาหารก็บิณฑบาตแต่ถ้ามีคนถวายเช่นอาหารที่เป็นสังกพัดเป็นต้นที่มีผู้เอามาถวายอันนั้นก็ชื่อว่าเป็นอดีเรกกลาบเขาเรียกว่า อาหารนี่ถือเอาปลีกแข้งของตนนั้นเป็นเป็นหลักส่วนที่อยู่อาศัยนั้นก็ถือโคนไม้เป็นต้นเป็นหลักถ้ามีกุฏิเสนาสนะที่เ้าสร้างถวายก็ถือว่าเป็นอดีเรกกะลาบเนี่ยนะยาทั้งหลายก็เป็นพวกเนี่ยสมอดองเป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าได้น้ำพึ่งเป็นต้นก็ถือว่าเป็นอดีเรกกะลาบอยู่ว่าชีวิตของตนเนี่ยระดับเกรดล่างสุดเลยอยู่ได้ระดับไหนบอกว่าเก็บผ้าเปื้อนฝนมาอะนะมาตัดมาเย็บมาปะมาต่อ อันนั้นเป็นชิสบองชีวอนเป็นต้นก็ใช้สอยได้หรือว่าอาหารก็ถือเอาการบินทบาทเป็นต้นเสนาสนะก็ถือเอาโคลนมาให้เป็นต้นยาก็ถือเอาสมอดองเป็นต้นพันธาต์อยู่ในระดับอ่าสี่ประการนี้แล้วชีวิตที่ไหนบางจะอยู่ไม่ได้เออที่ไหนมันก็อยู่ได้ทั้งนั้นแหละในโลกนี้ว่า ง, งั้นโดยปกติธรรมดานะอยู่ได้ทั้งนั้นแหละในประเทศไทยเป็นต้นในประเทศที่พระพุทธเขานับถือพระพุทธศาสนาโดยที่เรียกว่า ถ้าโคนไม้อยู่ได้โคลนไม้เขาไม่ค่อยห้ามให้อยู่หรอกเนี่ยนะไปขออาศัยอยู่โคนไม้เขาให้อยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยนะปัญหาก็คือทะเลาะ ก, กันเรื่องกุฏิดีๆเนี่ยนะถ้าหากว่าไปเก็บผ้าเปื้อนฝุ่นเนี่ยไปเก็บผ้าที่เขาทิ้งๆเนี่ยเอามาเย็บมาตัดมาปะมาต่อก็เอามานุ่งหม่มก็ไม่มีใครมาทะเลาะ ก, กันอยู่แล้วอาหารถ้าไปบินทบาทเนี่ยไม่ไปบินทับสายคนอื่นเกินไปเนี่ยนะไม่ไปเรียว่าไปรัดตัดหน้าคนอื่นมากเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ไม่แน่ว่าแม้เขากำลังจะไปรับอีกองคนึงก็ยืนเฉี่ยวมายืนต่อหน้าเนี่ยนะฉบอ า, อาหารไปเหมือนนกโฉบไปถ้าอย่างนั้นก็ไม่แน่นะ